นี่ก็มาพบทวนอารมณ์เรื่อมาแนะแนววิธีปฏิบัติให้แก่พวกเราในขณะนี้ก็ห้าโมงสี่สิบห้านาทีวันนี้เป็นวันวันอังคารที่สิบเก้าพรุ่งนี้ก็ต้องเป็นวันที่ยี่สิบไลเข้ามาเข้ามาวันเดือนปีมันกินคนเราไม่เห็นว่าวันเดือนปีกินเราไปเห็นแต่ตายทีเดียวนี่ยังไปเห็นได้ดังนั้นวันนี้ก็ต้องมา ควบทวนกันการปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติจริงไม่ใช่จะมาปฏิบัติเพื่อเล่นเพื่อคุยกันไม่ได้ผลได้ผลแต่มันได้ผลน้อยบัด น, นี้เมื่อเราปฏิบัติจริงๆงมันกับผลออกมาจริงๆหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังบ่อยๆเพราะหลวงพ่อช อ, อบพูดของจริงที่ตัวเองได้เคยศึกษาและปฏิบัติมา ศึกษาปฏิบัติมาอย่างไรก็ต้องนำมาเล่าให้เพื่อนพระสงฆ์และญาติโยมฟังว่าสิ่งนี้เนี่ยมันแก้ปัญหาตัวเองได้ก็เลยนำมาเล่าให้ฟังการทำจังหวะการทำความรู้สึบตัวมันทำให้เราเกิดปัญญาปัญญาไม่ใช่เป็นปัญญาเ น, น, นื้คิดอันเป็นปัญญาเกิดขึ้นมาจากปฎของธรรมชาติจริงๆนี่หรปัญญายานของวิปัสสนา ภาวะนาภาวนาก็แปลว่าทําให้มากทํามากๆไม่ท้อถอยไม่อ่อนแอนทํามากไม่ท้อถอยไม่อ่อนแอนมันก็เป็นการก้าวหน้าแบบก้าวหน้าขึ้นไปที่แรกเราไม่เคยรู้เรื่องรูปเรื่องนามนี่ไม่เคยรู้รู้แต่ตำหรับตาําราเรียนมาแล้วจดจําเอาไว้รูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยง สัญญาณิจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารานิจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณานิจังวิญญาณไม่เที่ยงรู้แต่เมื่อมาปฏิบัติแล้วมันก็รู้เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันมันรู้สําหรับตัวเองการเคลื่อนการไหวนี่เป็นลูกลูกกับนามมันติดกันอยู่ที่ตรงนี้ถ้าแยกออกจากกันเมือ่อใดก็เท่ากับท่อนไม้ท่อนฟืนเมื่อกับคนตายเนี่ยคนตายได้เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนนะ เน่งไม่ได้ตีงไม่ได้อยูดลูกกับนามแยกออกจากกันไปแล้วตายแล้วอย่างนี้รูปทํานามทำแบบเนี่ยเมื่อมีจิตวิญญาณอยู่ทํานาทําสวนซื้อขายทุกอย่างทําได้รูกพันธุ์ทำนามนี่ก็ต้องทํารูปโลกนามโลกไม่เฉพาะตั้งแต่คนนะเป็นโลกสัตว์ก็เป็นต้นไม้ก็เป็นเนี่ยเราต้องมองไปไกลจังว่านารให้รู้จั ก, จกสมมตินี่นะต้นไม้ก็เรียกว่าภาคจัด ต้นนั้นต้นนี้ภาคอันนั้นภาคอันนี้จับเขาเลวต้นไม้ก็ตายไปเนี่ยอันนั้นต้นไม้ก็เป็นโรคสัสตว์กอตายเป็นเป็นโรคเช่นเดียวกันคนก็ตายเป็นเป็นโรคเช่นเดียวกันอันนี้เขาเรียกโรคเนื้อหนังโรคทางจิตใจแบบนี้จิตใจดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจเนี่ยโอเกียตอันนี้โกโรคทางวิญญาณเมื่อรู้จักอันนี้ก่อนมันเป็นทุกนั่งอยู่นิ่งๆไม่ได้เ น, นี่ยทบทวนผมรู้ เพื่อเราจะไม่หลงไม่ลืมนั่งนิ่งนไม่ได้มันเป็นทุกข์เคลื่อนไหวอยู่จังนั่นแหละแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเพราะเราไม่มีความสมงบ น, นั่นเองเนี่ยีวจัะวนั่งดูความสงบความไม่สงบก็ต้องเห็นต้องรู้เรานั่งนิ่งนไว้ไม่ได้มันต้องเคลื่อนโอ้นี่ความไม่สงบมีแล้วบัดนี้จิตใจแบบเนี่ยจิตใจมันคลิปต่อยไปเลยมันคลิปต่อยไปเลยมันก็สบายใจ เราไปบังคับไม่ให้มันคิดมันไม่ได้อีกแล้วนี่มันเป็นยังไงดังนั้นความสงบจึงมีอยู่มากเมื่อรู้จักทุกขังอนิจจังอนัตตาดีแล้วก็รู้จักสมมุติอย่างที่พูดเมื่อกี้นี่แหละสมมุติจึงมีมากสมมุติทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องรู้ให้ครบให้จบให้ทัววเราจึงจะไม่มีทุกข์กับสิ่งที่สมมุติขึ้นในโลกนี้เมื่อรู้สมมุติแล้วก็รู้จักศาสนา รู้จากพุทธศาสน า, สาศาสนากับพุทธศาสนาไม่ใช่อันเดียวกันนะาศาสนาแปลว่าคําสั่งสอนของท่านผู้รู้หรือาศาสนาแปลว่าที่พึ่งาศาสนาแปลว่าคําสั่งสอนของท่านผู้รู้ใครรู้เรื่องอันไหนก็นาเรื่องนํามาสอนคนเพิ่งผีเขาก็สอนให้เราพิ่งผีคนใดเคยเพิ่งเลือกงามยานดีเขาก็สอนให้เราเพิ่งเลือกงามยานดีตามเขาเป็นอย่างนั้นคนใดเพิ่งเทวดา ก็สอนให้ลรเพิ่งเทวดาเสียเพราะดูเลือกดูงานึ่งอันนั้นเดียวศาสนาเปลว่าที่เพิ่งอย่างนั้นพุทธศาสนาบันย์เปรตวัดแจ้งเห็นจริงรู้แล้วก็ไม่งอ่งแง่งความเขยารู้ทำเห็นทำเนื้ออยู่ด้วยทำไปด้วยทำมาด้วยทำเราไม่ต้องอาศัยผีแล้วบันย์ไม่ต้องอาศัยเลือกงามงามดีใครจะมาทําดีให้เราไม่ได้มีแต่ธรรมะเท่านั้นธรรมะจึงสนะอะธรรมเนี่ย สอนอทำนักคือควมไม่รู้นั่นเองดังนั้นพวกเรามาเจริญนิพพฒนาภาวนาที่ทับหนึ่งขวันตั้งแต่วันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าผ่านมาแล้วสี่วันแล้วนีย่ยังเหลืออยู่ไม่กี่วันสิบวันเท่านั้นเองแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันที่ยี่สิบเย็นนี้เมื่อหลวงพ่ออบรมแล้วพวกเราก็ต้องเอาจริงเอาจังอย่าท้อแท้อย่าอ่อนแอทาให้มันดูแจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริง เรานั่งสร้างจังหวะมันก็สงบ พ, พอดีมันคิดขึ้นมาปุ๊บเราเห็นปั๊บเนี่ยผมไม่สงบขึ้นมาอันตัวนั่งอยู่นี่อันตัวนี้พัฒนาไม่ได้ตัวนี้ตัวนี้พัฒนาไม่ได้ตัวเคลื่อนตัวไหวนี่ยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติหน้าที่ของมันตัวที่มันคิดนั่นแหะพัฒนาได้ตัวตัวนี้เราเคยเห็นไหย ม, มันเกิดขึ้นมาแล้วแบบง่ายขึ้นมาทีละนิดทีละนิดเป็นล้มเป็นสาวเป็นพ่อบ้านแม่เลือนตายเน่าเข้าโรงนี่ พัฒนาไม่ได้ตัวคิดดีใจเสียใจพัฒนาได้ดีใจทำไมทุกแล้วเนี่ยคิดขึ้นมาอ้าวเสียใจอ้าวเสียใจไฒไมทุกแล้วเนเราจะเห็นรวมทุกตัวนั้นพัฒนาได้ตัวเพื่อพัฒนาได้บางส่วนบางส่วนพัฒนาไม่ได้อันนี้รู้จากพุทธศาสนาพุทธเจ้าเปรยผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรม อันนี้ส่วนเราเข้าใกล้กับพระพุทธเจ้าแต่ถึงไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็เข้าใกล้กับพระพุทธเจ้าเรื่องนี้บาปบาปก็คือมืดนั่นเองไม่รู้ทิศใต้ทิศเหนืออะไรไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วเอาเลยบาปบาปจึงคือมืดบาปคืองโง่บาปคือที่หนัก อ, อกหนักใจนั่นแหละพูดง่ายๆก็คืหนักใจเราเคยพูดกันหนัก อ, อกหนักใจได้เป็นหนักมันทําไมสิ่งนั้นแต่ก็เพราะเราไปรู้นั่นเอง ดังนั้นที่หลวงพ่อมาทบทวนอารมณ์และขนรู้ให้พวกเรามาปฏิบัติเนี่ยบางคนก็ปฏิบัติมานานแล้วสองปีสามปีมไม่หนรู้อะไรมันจะรู้อะไรเราคิดออกนอกตัวเราไปคิดว่าจะได้อันนั้นคิดว่าจะรู้อันนี้มันลืนตัวไปมันก็เลยไม่รู้บัดนี้ละปล่อยอารมณ์ทั้งหมดเลยกลับเข้ามารู้อยู่การเคลื่อนไหวตัวเรานี่เองบุญก็เลยปีขึ้นมา เราเทศปัญญาปละมีกันเพื่นแปลกันมากแต่หลวงพ่อไปปฏิบัติแล้วไม่อยากปัญญาพละมีสัมปัโนโนอิติาาปิโสภะควาเพื่นว่าปัญญาปละมีสัมปัโนโนอิติปิโสภะควาเพื่นเทศกปัญญายุเปโตสุขโต ว, วิตละหอพาเสยเยะเสโกทัศัญญาณทาโลโยโลกนาโทหิตาถังวักจินเตณะปปังสุขตังศีรสาณามามิเพื่อว่ามันนั่นเหมืนอยาง ปัญญาก็เปีามีและปลาละเดียวพร้อมพร้อมที่จะให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาได้ออกให้ใกล้มีทุกคนปัญญาอันนี้เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้เลธิ์ตั้ง ว, ว้สัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตาคือกันกับพระพุทธเจ้าสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตบุตรได้เป็นพระพุทธเจ้าเทวดาวกพุทธะอันนี้ บัดนี้ท่านตัดใบข้อที่สี่เนี่ยว่าสัตว์ทั้งหลายเราพูดเป็นตถาคตไปถึงแนวแห่งนั้นและจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีดังเราตถาคตนี้เป็นต้นต้องรู้เห็นเป็นมีเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าถ้าทําจริงต้องเป็นคนจริงก็ต้องรู้จริงเหมือนกันกับพระเจ้าไม่ผิดกันเลย พุทานุพุธทธังสามารถศีลทิฏฐิงเราสวดกันผู้ตัดสัูุตามพระพุทธเจ้ามีศีลและทิฏฐิเสมอกันมีศีลเหมือน ก, นกันกับพระพุทธเจ้ามีความเห็นเดียวกทิฏฐิเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าเห็นอะไรก็เห็นตัวเรานี่เองเมื่อเห็นตัวเราครบจบพวนแล้วก็ไม่ต้องสงสัยอันนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเพราะเราทําอะไรต้องมีพื้นฐานอย่ากปกบ้านแปลงเรือนก็ต้องมีพื้นมีฐานพื้นฐานดีลงหลักเข้มดี ปกบ้านก็ไม่ไม่ซุดถ้าหากพื้นฐานไม่ดีปกบ้านก็สุดเดี๋ยวก็เสาหุเสาล่มลงไปเอียงข้างนั้นเอียงข้างนี้เนี่ยคุณวัาจีว่าให้รู้หลักฐานไว้รูปน้ําเนี่ยต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้หลวงพ่อต้องรู้อย่างนั้นอันนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเมื่อมันมีอารมณ์เอาไว้ไม่ไว้กลับคืนมาทุกข์อารมณ์นี้เดียวัดคบถวนอารมณนน์อารมณ์อันนี้เพียงดีใจ แต่ยังมือตื้ออยู่ในใจใจยั ง, ยงหนักอยู่เลยบัด น, นี้เขาเล้งควมเพียนเข้าทำควมเพียนเข้าไม่พูดไม่คุยควมรู้ต่างๆมันจะค่อยลดน้อยไปลดน้อยไปเห็นรู้เข้าใจสัมผัสแนบแน่นคือวัตถุอย่างที่หลวงพ่อคุณวัตถุหมายถึงดินฟ้าอากาศเป็นวัตถุต้นไม้ภูเขาเป็นวัตถุเสื้อผ้าไรนาล้วนสวนเป็นวัตถุเงินทองเป็นวัตถุเงื่อนังเราก็เป็นวัตถุเหมือนเนี่ นี่เป็นอย่างนั้นจิตใจก็เป็นวัตถุเน네ี่ยวัตถุจะมีมากเหมือนกันสิ่งที่จับถูกด้วยมือก็เป็นวัตถุสิ่งที่จับไม่ถูกด้วยมือมองไม่เห็นด้วยตาแต่ใจมันรู้ก็เป็นวัตถุเช่นเดียวกันปัจามัดกําลังเราสัมผัสอยู่เนี่ยสัมผัสอย่างเงียเพราะจักมีอตาเนยเป็นปารมัดปัจามัดคือเรากําลังเห็นกําลังรู้กําลังเข้าใจกําลังสัมผัสแนบแน่อยู่กับวัตถุเนี่ยเป็นปารามัดปารมัดเป็นของจริง ถึงจะรู้ก็มีอยู่อย่างนั้นไม่รู้ก็มีอยู่อย่างนั้นยน่องธรรมะที่ทมให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้ามีมา ก, ก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกค้นพบในประเทศอินเดียคนในอินเดียยุคนั้นดูจะมีทุกข์มากมีทุกข์มากแล้วก็ตั้งคนตั้งหาเป็นกรรมฐานโอดมากเป็นพระทุกองพระกรรมฐานในประเทศอินเดียเพราะคนแสวงหามรรคผลนิพพานมันมีความทุกข์มาก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 เราก็เห็นโมหะก็ได้โลภะก็ได้โทสะก็ได้โมหะโทสะโลภะนี่เป็นรากเหง้าของบาปเป็นรากเหง้าของการทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วถ่านนีเป็นรากเหง้าของอับปุสนเนี่ยเนี่ยเราต้องเห็นต้องรู้เข้าใจอย่างนี้คือคําพูดมันมากแต่ความจริงเห็นในน้อยก็ดีไม่ต้องพูดมากเมื่อเห็นอันนี้แล้วเวทนาสวยอารมณ์คือไม่ทุกข์ สวยอารมณ์บทุกให้่มดเลเวทนาสัญญาจําได้หมายรู้สิ่งที่เห็นที่เข้าใจนั้สัญญาสังขารปรุงไปญนทางที่ถูกต้องวิญญาณเป็ว่ารู้เนี่ยวิญญาณไม่ใช่ว่าตายแล้วไปเข้าท้องคน น, นนั้นไปเข้าท้องคนนี้กลับมาทักทอลูกหลานเทาเอากองบุญฐานเอากองบวชกองหดอันนี้เราเราเข้าใจไปเลยอันนั้นเข้าใจไม่ตรงมันมีมาก่อนแล้วเนี่ย มีมาก่อนแต่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตัดสโลโฟบัด น, นี้พระพุทธเจ้ารู้แล้วท่านก็เลยว่าวิญญาณแปลว่ารู้เนี่ยอันท่านเรารู้เนี่ยรู้จับเนี่ยวิญญาณเรียกว่าผมรู้สึกกรเอิญ ว, ญญญญนนวญิญญาณก็เอิญเอิญเนี่ยก็คงจะรู้จักเรียกบ้านหนึเดียวเอิญวิญญาณก็เอิญวิญญาณก็เรียกเรี่ยบ ก, กับเอิญเช่นเดียวกันมันเป็นสมมุติพูดตามสำนวนสำเนียงแต่ละบ้านละบ้านไม่เหมือนกันเป็นนะ ดังนั้นให้รู้จักวิญญาณแปลว่ารู้วิญญาณแปลว่าเข้าไปรู้แบบเรียกว่าตาใจตาปัญญาหรยกว่ายานอ๋อเมันมากยานก็แปลว่าขนส่งหรือยานเดียวเข้าไปรู้ยานแล้วเป็นปัหาหนะามันหลายเรื่องอันนี้แหละเราเข้าไปหาพระพุทธเจ้าได้จริงๆตัวนี้ตัวนี้เบาขึ้นมาแล้วตัวนี้เมื่อใครยังไม่เบาเพียงแต่รู้จํำ เมื่อใครเบาอกเบาใจเวลาเราเข้าไปรู้เบาวา่าสว่างใจแจ้งสว่างแต่ไม่ใช่สว่างคื อ, อกลางวานันนี่มันสว่างใจใจมันสว่างขึ้นอันนั้นแหละเราเป็นพระเราจะรู้เองโอ้วัวเป็นพระมันเป็นอย่างนี้ผู้หญิงก็เป็นพระได้ผู้ชายก็เป็นพระได้เด็กก็เป็นพระได้คนเฒ่าคนแก่ก็เป็นพระได้พระอันนี้เราเป็นปรมัตดเป็นปรามัดบัญญัติเหมือนอัฐบัญญัติ ได้แก่มาแปดสี่คู่แปดบรุษเอสาพระควาโตสาหลกสังโคนั่นแหละสงสาวกของพระพุทธภาคเจ้าอาหูนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาปูชาร์อาหูนายโยเป็นสงควรแก่สักาาสาาายยสการะที่เขาจะได้ต้อนรับเป็นการแต่เราไม่เข้าใจสูตรได้แต่เราไม่ทําให้มันเป็นบัดนี้เรามาอบรมอบรมไปว่สี่นี้ อบรมเดียวซีเนี่ยข้อมถูกต้องและข้อมผลาดผิดข้อมถูกต้องคือลู้ของจริงควอมพลาดผิดล้เนี่ยว่าเป็นพิษเป็นกิเลสเป็นปสสนิพพานูเป็นจินตญานเป็นวิปลาสปญานั้นแะ่ะมันมีหลายเรื่องแต่ควอมจริงเมื่อรู้เท่าทันเหตุการณ์แล้วกว็เรื่องเดียวสั้นๆเรื่องเดียวสั้นๆแต่มันก็ไม่สั้น ตอนที่แรกมันจะเป็นวิปัสนาวิปัสนาวอกมันเป็นไปคิดโน้นคิด น, น, ดนี้คิดดีใจมากตอนเงียบตอนนี้เป็นปีติปีติตำลาก็นว่าดีปีติควมอิ่มใจปีติควมพอใจปีติควมยินดีโอหลายเรื่องปีติจุดเป็นอุปสรรคต้องการขัดแยง้งการเดินทางของเราไปสู่มักเบิ้งสูงปีติจุดมันติดอยู่นั่นคือมันดีใจภูมิใจไม่ต้องดีใจ ไม่ต้องูมงใจมันคิดแล้วทําความรู้สึกความรู้สึกนะจะวางความคิดนั้นออกมาเลยเนทุกต้องกําหนดรู้ส ม, มุทัยต้องละมรรคต้องจเจริญ น, นิโรธทําให้แจ้งเนี่ยมันจะค่อยรู้ไปรู้ไปรู้ไปจะแจ้งไปทุกตัวเคลื่อนตัวไหวตัวที่เป็นตัวทุกเปลือกนอกไม่ใช่ทุกเปลือกในเมื่อทุกตัวนี้อะเราทําได้กํามือเป็นทุกเรารก็กำได้แต่มันรู้สึกตัวคิดตัวนั้นอ่ะตัวส ม, มุทัยก็เป็นตัวทุก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 หลวงพ่อเคยอุ ป, ปมาและเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนกับนักมวยนักมวยเนี่ยเมื่อไปเห็นคู่ต่อสู้แล้วจากผู้เล็กผู้น้อยหรือจะมีน้ำหนักหรือเบากว่าเราใหญ่กว่าเราสูงกว่าเราไม่ต้องพูดเลยว่าแต่ขอให้มีคู่ต่อสู้เถิดขึ้นในเวทีสู้ลงทันทีเนี่ยเดี๋ยวนักมวยคนนี้จะเป็นคนที่นักสู้ซกเต็มเพราะว่าใครมาก็สู้เลยน้อยก็สู้ใหญ่ก็สู้เสมอเราก็สู้ ซกบ่อยๆมัก็สํานานในการซกอันนี้ก็เหมือนกันมันยิ่งคิดเราก็ให้มันคิดขึ้นมาเราก็ทําคมรู้จิตมันยิ่งคิดเราก็ยิ่งรู้รู้กลไกของความคิดไม่เป็นอันนี้เราจะให้มันคิดเราไม่อยากให้มันคิดอยากให้มันสงบก็ไปกดทับมันไว้คำสมาธิกสมาธิเหมือนกับหินไปทับงาเอางาก็เอาเหินออกแล้วงาบางงอขึ้นดีกวเดิมอันตัวไ่อยากให้มันคิดน่ะในข่าวที่เป็นนั่งสงบเลย บาดออกไปสู้เอาลมแผ่นอกสู้ไม่ได้เลยดีใจเสียใจเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีบางทีเธอกับร้องก็มีดมนะคนมาพูดให้เราร้องก็มีเนี่ยมันไม่พอใจเนี่ยมันทุกข์ขนาดนั้นยังว่าเราไม่รู้จักบัดนี้ปล่อยมันไปมันคิดปล่อยมันไปเราจะรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จับแก้รู้จะเอาชนะมันได้อันนี้เลยว่ามักเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ทุนความดับทุกอ้อ วันนียก็จะมาว่าตอนดับทุกให้ฟังตัวสุดท้ายหรือว่าข้อต้นก็นมาว่าตัวสุดท้ายให้ฟังตัวสุดท้ายเนี่ยให้ระวังให้ดีหลวงพ่อพูดให้ฟังทุกวันนะแต่บางทีก็พูดแจ่มใสบางทีก็พูดรุบลวกไปเพื่อให้เราได้คิดคนมีปัญญาบางคนก็รู้แล้วก็มีทีเนี่ยบางคนยังไม่รู้ก็มีไปตัวสุดท้ายเนี่ยหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังเอาเสือ้อผู้ไว้ข้างนี้ ผังนี้ตัดตรงกลางเลยเสื้อมันตึงดึงเข้ามาหากันไม่ถึงเลยดึงเข้ามาจุกมันมันไม่ถึ ง, ถงทีแรกเอาต่าท่าก็ได้เอาอยัางไปพาดก็ได้ทั้งหมดเลยพอดีตัดขาดพูทได้เอาผ้าไปพาดไม่ได้เลมันขาดแล้วแก้ต้นนี้มาต่อตรงกลางไม่ถึงหลักนี่แล้วบัณฑิตแก้ตรงกลางมาพุทธิ์นี่ไม่ถึงตรงกลางแก้ต้นนั้นมันไม่ถึงแล้วนี่ตัวนี้สมมุติเข้ามาบัณฑิตมีบาดหลับปุ๊บลืดต้องมาออกปาบาด ท, ทั้งหมดแต่ก่อนนะ บ้านนี้พอดีปุ๊บเข้าไปเลือดเต็มอย่าแล่นคืนเข้ามาสู้ที่เดิมมันทางพวกเราจะแล่นออกไปทางมึงมันเป็นอย่างไรพวกคนต้องเป็นจริงๆถ้าทําให้ถูกต้องอันนี้แหละตัวสุดท้ายเมื่อตัวนี้ขาดหยุดแล้วนี่ค่ะว่าขันห้าปุงกันแต่กันไม่ได้อายตนะก็ตามขันห้าก็ตามปฏิจจสมุปบาทก็ตามมันไม่เป็นวงจรมันไม่เป็นวงจรมันขาดอกอุปกรณ์มันเป็นอย่างไรแต่ว่าเราอยากเอาไปใซ้ได้ก่อ แค่ถ่านั้ น, นเอาไปใส้หลักมันเอาไปให้หลักมันได้แต่เราไม่ต้องออกมาใส้แบบนี้ต้องไปใส้แบบอื่นได้นี้แหละทุกคนจะประสบเรื่องนี้แน่นอนที่สุดเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็นตัดแล้วว่าตัดทั้งหลายคือเรา ต, ถาต่ถักทัดทั้งหลายเหมือนเรา ต, ถาต่ถักทัทั้งหลายเหมือนเราต่ถักทัดทั้งหลายเป็นตถาคตทัดทั้งหลายเราู็เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นและจะนํามาสอนพวกเธอทั้งหลาย ให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี่ล้วก็ฟังให้มันเป็นนี่เป็นคํามั่นสัญญาเป็นคํา ร, รับรองของพระพุทธเจ้าจริงๆอันนี้แต่เราไม่ทําตามทําตามน้อยๆเนี่ยมันก็รู้น้อยที่ดังนั้นเรามาทีนี่ต้องเป็นเข้าวทีนโยนเข้าไปลงสีสีออกมาให้เป็นเข้าวทีเนี่ยถ้าหากพวกเรามาทีนี่จำนวนคนเป็นร้อย ถ้าทุกคนทําได้แต่ไม่ถึงขนาดนั้นก็าตามเราเออกไปเผยแพร่มีสมาสิกกี่คนเราได้สมาสิก ค, คนหนึ่งก็แสดงว่าเราทําให้พุทธศาสนาได้ใหมาอีกสิบคนหนึ่งถ้าจํานวนร้อยคนได้คนละคนละคนก็ได้สองร้อยคนถ้าคนนึงมีพักมีพวกมากทําได้สามคนสี่คนก็มากขึ้นไปเราเคยได้ยินครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย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 ก็มีในคนทุกคนเนี่ยทันวัดจิตของผู้ใดเนี่ยไม่ใช่ว่าจิตพระพุทธเจ้าคนเดียวเนี่ยมันมีเหมือนกันทุกคนพระพุทธเจ้าก็คือเราเราก็คือพระพุทธเจ้าผู้หญิงผู้ชายผ้าสง์องค์เนนถือศาสน า, าใดก็มีอย่างนั้นมีเหมือนกันหมดแต่ว่าเราไปติดสมมุติซะเธอศาสน า, าคิดปฏิบัติไม่ได้เป็นญาติเป็นโยมปฏิบัติไม่ได้เนี่ยแม้ญาติโยมปฏิบัติธรร ม, มะมีข้อสงสัยกันอยู่มาก แต่หลวงพ่อเองก็สงสัยเป็นเดียบหนแต่ก่อนแต่หลวงพ่ออยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจมันอยากรู้อยากเห็นนอกตัวไปถ้าหากเป็นฆราวาสญาติโยมท่านว่าปฏิบัติธรรมะรู้ธรรมะเห็นธรรมะเข้าใจธรรมะซาบซึ้งในจิตใจแล้วรีบบวชถ้าหากเป็นผู้หญิงก็รีบบวชเป็นแม่ขาหรือเป็นเพศสุนีผู้ชายก็รีบบวชเป็นพระสงฆ์ถ้าหากไม่บวชตายเลย เป็นฆราวาสญาติโยมลูก ธ, ธรรมะได้ไม่เกิดเจ็ดวันตายอันนั้นไม่จริงหรอกโยมหลวงพ่อทดทองมาแล้วสองปีกว่าคุณหลวงพอ่อไปโยมนดรอเมื่อได้มันจะตายเลยไม่เห็นตายเลยแต่ตายสิ่งที่ตายตายจริงจริงแต่สิ่งไม่ตายมันไม่ตายลูกขันอันนี้มันเป็นอีกอย่างคนใครจะเกินเกินเจ็ดวันไปไม่มีเลยทิศจันคารพุทธประหัต ส, สุขเสาตายพระเจ็ดวันนี้ทางนั้นรู้ธรรมะก็ตายภายในเจ็ดวันนี้ ไม่รู้ธรรมะก็ตายภายในเจ็ดวันนี้จริงจรงอันนี้ตายจริงๆแต่ว่าตายเนาเข้าลงเนี่ยไม่ก็ยังจะควรเปลี่ยนแปลงของจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงได้อย่างที่เราไม่เคยมาที่นี่นะแล้วมาเห็นโอ้ท่านนั่งสงบได้แล้ว ก, ก็นั่งสงบเนมันเปลี่ยนไปวันนี้เห็นจิตใจมันโอ้จิตใจมันคิดแล้วโอ้จิตใจมันคิดนี่ไม่ห้ามมันเลยเนี่ยเราก็จับได้มันให้มันคิดไปมันคิดไปแล้วก็รู้มันอย่าไปเข้าไปในของคิด พอดำมาคิดปุ๊บออกมาทําความรู้สึกนี้มันจะตัดกันเลยอยอดแต่โมทัยต้องละมันต้องละได้จริงๆทดลองดูก็ได้ถ้ามันคิดมากๆคิดไม่หยุดกับเนี่ยเจ็บนิดปุ๊บวางเลยมันเกยอย่างนั้นทดลองเอาเลยเนี่ยการศึกษาธรรมะอย่างนั้นๆไม่ต้องไปคล้องแวะอยู่กับสิ่งใดๆทั้งหมดที่หลวงพ่อได้มาให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสติใจมา <c oughs> ในวันนี้ตอนธรรมะแรงนี่ก็เห็นว่าสมควรเกยวเวลาแล้ว ท้ายที่สุดนี่อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์ได้ญาติโยมมานั่งฟังธรรมะยูณสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคาสั่งสอนขององค์สรรมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระนันตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้เจริญลอยตามพระพุทธเจ้ทาทําให้พุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านัมั่นคงถาวรต่อไปเราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วหากพระธรรมวินัยของเรามีอยู่ หากมีผู้ประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวยไหนของเราสถาพตอยู่มักผลนิพพานก็จะไม่ว่างจากโลกนี้เนี่ยมักผลนิพพานคือไม่ว่างจากตัวเรานี้เองหากภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุปัิกาอยู่ในชอบพระอรหันต์ก็จะไม่ว่างจากโลกนี้พระอรหันต์ไม่ต้องไปเห็นไก่เห็นใจิตใจเรานึกเราคิดนี้เองไม่ต้องไปเนี่อะไรเห็นมันโกรธขึ้นมาต้องปุ๊บปับ๊บเอาทันทีเลยเอาที่นี้เอาใกล้ๆนี่แหละเป็นการปฏิบัติธรรมะ ธรรมะอเนกปฏิบัติประกับการกับงานได้ทุกอย่างทีเดียวทำนาทำสวนซื้อขายได้ทางนั้นเพราะเห็นมาเค็ดปุ๊บรู้ทันทีมันจะโกงขึ้นมาอ้าวมันเน่าเหม็นเปียกแสะไม่เอาเอนี่ยเาก็เลือกคัดจัดเ้าวนนีว่าหน้าที่ของคน